ตอนที่62ดอกท้อบานสะพรั่งทุกทิศ ท, ทางหลังจากเข้าพักในโรงแรมซูมาอินถึงได้พบว่าเกาช้างเหอแอบตกลงกับเฟิงจ้านไว้ตั้งนานแล้วโดยจัดให้ห้องของเธอและฉินเสี่ยวเยเว่อยู่ติดกับห้องของเขาและเกาเติงหลักๆ ก, ก็เพื่อให้ถ่ายทำสะดวกขึ้นในวันหน้ายัางไงล่ะครับเกาชัางเหออธิบายด้วยรอยยิ้มซูมาอินเพียงยิ้มตอบบางๆโดยไม่เปิดโปงคาโกหกของเขา เช้าวันแรกของงานแสดงสินค้ามีพิธีเปิดซูมานอินและเกาช้างเหอตื่นแต่เช้าเพื่อนำอุปกรณ์มุ่งหน้าไปยังสถานที่จัดงานเพื่อสมทบกับช่างภาพของสถานีโทรทัศน์ส่วนชินเสี่ยวเย่เวนั้นนอนตื่นสายเธอไม่ได้นอนบนเตียงดีๆแบบนี้มานานแล้วร่างกายของเธอจึงถูกเตียงนุ่มนๆจับเป็นเฉลยไปเสียแล้วซูมานอินเรียกอยู่หลายครั้งก็ไม่ยอมลุกสุดท้ายจึงปล่อยให้เธอได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มในช่วงเช้า ในความฝันเธอกําลังนัดพบกับหนุ่มหล่อซิกแพคแน่นๆทันใดนั้นเสียงกลิ่งหน้าห้องก็ดังรัวขึ้นอย่างเร่งรีบโอยก็บอกแล้วไงว่าขอเวลาอยู่กับหนุ่มหล่ออีกหน่อยประตูห้องเปิดออกทว่าคนที่ยืนอยู่ไม่ใช่ซูมานอินแต่กลับเป็นหนุ่มหล่อผิวเข้มเกาเติงนายมาทำไมต้องการอะไรแล้วทำไมมองฉันแบบนั้นชินเสียวเยเวโรวาคาถามสามชุดใส ท, ทันทีแต่ก็เติงกลับยกยิ้มมุมปากและตอบกับเธออย่างรวดเร็ว พี่ชายกับพี่สไปซสั่งให้ผมมารอคุณผมเอาอาหารเช้ามาส่งให้ที่มองคุณก็เพราะว่าก็ติ่งกว่าสายตามองชินเสี่ยวเยเวตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนจะพูดด้วยท่าทางกวนประสาทแต่งตัวได้พิเศษมากเลยนะชินเสียวเยเวอยู่ในชุดนอนผ้าไหมสีชมพูอ่อนซึ่งเป็นชุดที่เธอถูกใจตั้งแต่แรกเห็นในร้านเมื่อคืนนี้ชุดนอนผ้าไหมแน่ไปกับสัดส่วนโคง้งงอของร่างกายเมื่อคือนเธอยังยืนชื่นชมตัวเองอยู่ตั้งนาน เธอยังแอบหัวเราอเยาะตัวเองว่าหุ่นเช้งวอกขนาดนี้ต้องทำให้พวกหนุ่มหนุมตะลึงจนตาค้างแน่แต่ใครจะไปคิดว่าเช้าตรู่แบบนี้จะถูกก็เติ่งเห็นจนหมดเปลือกชินเสียเวเยเว่รีบปิดประตูห้องด้วยความล น, นลานก็าเติ่งชะงักไปครู่หนึ่งจากนั้นประตูเปิดออกอีกครั้งมือเล็กๆยื่นออกมาคว้าสลาเปาในมือเขาไปอย่างรวดเร็วแล้วเสียงปังก็ดังขึ้นพร้อมกับประตูที่ปิดลงอีกรอบน่าสนใจดีแฮ งานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออกครั้งที่52บเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในเช้าวันนี้ซูมานอินถือไมโครโฟนด้วยท่วงท่าสง่างา น, น้ำเสียงหนักเบาเป็นจังหวะจะโคนรายงานข่าวพิธีเปิดอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดทีมงานที่อยู่หลังกล้องตั้งใจถ่ายทำผ่านเลนพร้อมกับชูนิ้วโป้งให้เป็นระยะบทนี้เพิ่งเขียนเสร็จเมื่อเช้าสูมานอินเพียงแค่อ่านทบทวนคร่าวๆ ร, รอบเดียวก็เริ่มถ่ายทาทันที ที่สําคัญคือเธอพูดไม่ผิดเลยแม้แต่คําเดียวแถมท่าทางยิ่งดูเป็นธรรมชาติและสดใสนี่มันผู้ประกาศข่าวโดยพรสวรรค์ชัดๆเก้าช้างเฮยยืนอยู่ด้านข้างมองดูหญิงในดวงใจพูดจาฉานด้วยความภาคภูมิใจความภูมิใจนั้นค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้ากลายเป็นยิ้มโง่ๆที่ดูไร้าราคาเมื่อการถ่ายทําเสร็จสิ้นในเทคเดียวเพื่อนร่วม ง, งานจากสถานีโทรทัศน์ต่างพากันชื่นชมซูมานอินสุดยอดไปเลยสหายซูมานอินไม่หรอกเขาเป็นเพราะพวกคุณเขียนบทมา ด, มาดีต่างหากฉันเลยจําได้ง่าย พนักงานสถานีโทรทัศน์ต่างดีใจที่ภารกิจถ่ายทำเสร็จสิ้นก่อนกำหนดจากนั้นก็เป็นการถ่ายเก็บภาพบรรยากาศการซื้อขายสินค้าในงานเพิ่มเติมเล็กน้อยในเมื่อไม่ต้องให้ฉันเข้ากล้องแล้วงั้นฉันขอไปดูทางฝั่งโรงงานทอผ้าหน่อยนะคะซูมานอินโบกมือลาเพื่อนร่วมงานโดยมีเกาฉางเหอเดินตามหลังไปติดติดช่างภาพมองดูซูมานอินผ่านเลนอีกครั้งน่าเสียดายจริงๆถ้าเธอมาทางานที่สถานีโทรทัศน์ได้ก็คงดีซู ซูมานอินเพิ่งก้าวเท้าออกไปก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเมื่อหันกลับไปมองปรากฏว่าเป็นลินเลียที่พากลุ่มชาวต่างชาติเดินตรงมาหาเธอเก้าช้างเหอตกใจจนรีบมุดไปแอบข้างหลังซูมานอินทันทีเขาไม่ได้กลัวพวกฝรั่งหรอกแต่เขากลัวลินเลียจะมาชอบเขาจริงๆต่างหากคนนี้แหละของดีๆพวกนั้นซูเป็นคนขายให้ฉันเองตอนแรกซูมานอินนึกว่าลินเลียถูกใครเป่ามามาหาเรื่องย้อนหลังเสียอีกที่ไหนได้กลับเป็นการพาลูกค้ามาให้เธอเสียอย่างนั้น คนกลุ่มนั้นรุมล้อมซูมา่านนินขอร้องให้เธอช่วยแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆให้บ้างซูมา่านอิมยิ้มตอบไม่มีปัญหาเขาวันนี้ฉันจะรับหน้าที่เป็นผู้นําทางให้ทุกท่านเองในงานมีเจ้าหน้าที่นําทางอยู่แล้วแต่ทุกคนกลับเลือกที่จะเชื่อมั่นในตัวซูมา่านอิมมากกว่าเมื่อคืนซูม่านอิมได้ศึกษาแผนผังของงานแสดงสินค้ามาเป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อมีคนถามถึงสินค้าที่ต้องการจะซื้อเธอจึงสามารถชี้บอกตําแหน่งได้ในทันที ที่เคาน์เตอร์บริการเก๋งเล้อเล้อผู้รับผิดชอบงานแสดงสินค้าในครั้งนี้เห็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งกำลังนําทางกลุ่มแขกต่างชาติตอนแรกเธอนึกว่าเป็นพนักงานของตัวเองแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆถึงได้พบว่าอีกฝ่ายเป็นผู้มาร่วมงานแม่หนูเธอคุ้นเคยกับงานแสดงสินค้าขนาดนี้เลยเหรอซูมานินหันไปเห็นผู้หญิงที่แต่งตัวดูมีความรู้คนหนึ่งกําลังมองเธอด้วยสายตาจริงใจอ๋อพอดีฉันเคยดูแผนผังมาก่อนนะคะ เมื่อเห็นบัตรพนักงานที่หน้าอกว่าเป็นหัวหน้าทีมเคาน์เตอร์บริการเธอจึงอธิบายด้วยรอยยิ้มคนกลุ่มนี้เป็นเพื่อนชาวต่างชาติของฉันนะคะเลยช่วยนำทางให้หน่อยหวังว่าคงไม่ได้รบกวนพวกคุณนะคะเก๋งเลอเลอสายหน้าจะรบกวนได้ยังไงล่ะเธอช่วยพวกเราได้มากเลยต่างหากฉันชื่อเก๋งเลอเลอเป็นหัวหน้าทีมเคาน์เตอร์บริการไม่ทราบว่าแม่หนูชื่ออะไรจะแล้วพอจะมีเวลามาช่วยงานที่เคาน์เตอร์บริการบ้างไหมซูมานอินข้าหัวหน้าเก๋งตอนนี้ยังไม่มีเวลาค้าแต่ว่าซูมานอิลังเลเล็กน้อยบางทีช่วงบ่่าาายฉันอจจะวงก็ได้ ตกลงนั้นช่วงบ่ายฉันจะรอนะเมื่อเก๋งเลอ่อเลอเดินจากไปเกาฉางเหอก็ขยับเข้ามาใกล้พร้อมกับถามด้วยความหงอยยัยมานอินทําแบบนี้มันจะยุ่งเกินไปหรือเปล่าครับซูมานอินพยักหน้ายุ่งแน่นอนค่แต่ที่เคาน์เตอร์บริการสามารถติดต่อกับแขกต่างชาติได้มากกว่าแถมยังมีข้อมูลของบูธต่างๆด้วยเพราะงานนี้ไม่ได้มีแค่การส่งออกการร่วมมือภายในประเทศก็มองค่าไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นถึงจะยุ่งหน่อยแต่ก็คุ้มค่าค่ะซูมานอินหันไปยิ้มให้ลินเลีย ลีเลียไปกันเถอะฉันจะพาทุกท่านไปดูของดีๆอีกเยอะเลยมองดูแผ่นหลังของซูมานอินที่พากลุ่มชาวต่างชาติเดินจากไปในใจของเกาฉางเหอนอกจากความภาคภูมิใจแล้วยังมีความสงสารและห่วงใยเพิ่มขึ้นมาอีกมากชินเสียวเย่เว่และเกาเติ่งก็มาถึงงานแสดงสินค้าเช่นกันแต่พวกเขาไม่ได้ไปที่อื่นมุ่งตรงไปยังโซนอาหารทันทีถึงขั้นเริ่มโหมดชิมฟรีกันเลยทีเดียวว้าล่าเทียวอันนี้เผ็ดกว่าที่ฉันเคยกินอีก เค้กน hey ้ำพึ่งนี่ทำไมมันหอมขนาดนี้เนี่ยนี่อะไรนะทำไมหน้าตาเหมือนโอริโอเลยนี่คือบิสกิตสอดไส้ครับเก้าเติ่งอธิบายด้วยรอยยิ้มโอริโอคืออะไรเหรอไม่เคยได้ยินเลยแฮะไม่เป็นไรหรอกอีกหน่อยนายก็จะได้รู้จักเองแหละชิ้นเสี้ยวย่าทำหน้าเจ้าเล่เก้าเติ่งเลิกคิ้วขึ้นในใจคิดว่านี่คือเมืองหุ่ยเชิงนะจะยังมีอะไรที่ใหม่ไปกว่าเมืองหุ่ยเชิงอีกเหรอทั้งสองเดินไปชิมไปจนกระทั่งมีคนยื่นขนมถั่วตัดมาให้ ลองชิมดูสิครับสินค้าใหม่ของโรงงานเรากำลังเป็นที่นิยมมากเลยนะครับต่อให้เป็นที่นิยมแค่ไหนก็ไม่ได้หรอกค่ะชินเสียวเยว้ยิ้มแห้งๆชีวิตสำคัญกว่านะคะเอะ๋หมายความว่ายังไงครับพนักงานขายทำหน้าไม่เข้าใจชินเสียวเวยว่จึงได้แต่ถอนหายใจชาตินี้ฉันแต่ต้องถั่วลิสงไม่ได้เลยค่ะเพราะฉันแพ้ถั่วลิสงเกาตึงที่อยู่ข้างๆได้ยินเข้าดวงตาก็พันเป็นประกาย บังเอิญจางผมก็แพ้ถั่วลิสงเหมือนกันชินเสี่ยวเย่เว่ยยื่นหมัดออกไปตรงหน้าอกของเกาเติงสหายเพื่อเป็นการฉลองที่เราสองคนถูกถั่วลิสงทอดทิ้งเหมือนกันในถ้ำกลางผู้คนมากมายมาชนหมัดกันหน่อยเกาเติงอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะทําตามอย่างงงงเขาชูหมัดขึ้นมาชนกับชินเสี่ยวเย่เว่ยราวกับถูกมวนสะกดสองคนนั้นควรไปกินยาได้แล้วมั้งเกาเติงรูปร่างสูงใหญ่หุ่นดีหน้าตากระโดดเด่นดึงดูดสายตาของหญิงสาวในโซนจัดแสดงได้ในพริบตา แม้แต่ตอนชิมฟรีเขาก็ยังได้รับสิทธิพิเศษเป็นอย่างดีชินเสียวเยวเวิร์ดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาว่าไม่ว่ายุคสมัยไหนโลกนี้กวัดกันที่หน้าตาจริงๆถึงขนาดมีชาวต่างชาติหนุ่มคนหนึ่งพูดภาษาจีนสำเนียงแปลกๆว่าอยากจะขอถ่ายรูปคู่กับเกาเติงชินเสียวเยเว่รีบช่วยจับคู่ให้ทั้งสองคนโดยเธออาสาเป็นช่างภาพให้เองพอถ่ายรูปเสร็จชาวต่างชาติคนนั้นก็จูบแก้มเกาเติงไปทีหนึ่งเหอะมารายาทของชาวต่างชาตินี่เข้าใจยากจริงๆ เกาเติ่งรีบเช็ดน้ำลายบนใบหน้ายัางดีที่เป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงล่ะก็ผมคงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยคดีอนาจารไปแล้วชินเสี่ยวเย่เว่หัวร่าผู้ชายไม่ยิ่งหน้าขนลุกกว่าเหรอหมายความว่ายังไงเกาเติ่งทำหน้างงนี่ไม่ใช่เรื่องมารยาทของชาวต่างชาติหรอกเหรอฉินเสียวเยเ่ปากสหายเกาเติ่งยินดีด้วยนะผู้ชายต่างชาติคนนั้นเขาประทับใจในตัวนายมากเป็นความประทับใจแบบ ชินเซียวเยวกวักมือเรียกเกาเติงเข้ามาใกล้ๆแล้วกระซิบที่ข้างหูเขาเบาๆนายรู้จักต้วนซิวไหมใบหน้าของเกาเติงเปลี่ยนสีทันทีสีหน้าของเขาเคร่งขริมและมืดมนลงเรื่อยๆก่อนจะหันหลังวิ่งหนีออกไปเดี๋ยวสินายจะไปไหนนะ่าชินเสี่ยวเยววิ่งไล่ตามหลังจะทำลายมิตรภาพระหว่างประเทศไม่ได้นะผมจะไปห้องน้ำไปล้างหน้าให้สะอาดเมื่อได้ยินคำตอบนี้ชินเสี่ยวย่าวยังได้ถอนหายใจออกมาอย่างโลง่งงอบ ก็เติ่งคนนี้เป็นผู้ชายซื่อบื้อที่ใส่ซื่อและน่ารักจริงๆเลยนะ